พอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปอพิญญาในวันนี้คงจะพูดถึงเรื่องคาถาที่พระสัจจเทระได้แสดงแก่อุปติสสะปริภายชคหรือภาษาลิบุตรก่อนที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา คาถานี้ได้รับยกย่องว่าเป็นหัวใจศาสนาในการสร้างเจดีย์สมัยโบราณโพธิมเจดีย์นั้นคืออักษรจารึกประธทมก็จะเาคถาเนี่ยเขาเรียบคาถาเยธมมาจารึกเอาไว้แล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุเอาไว้จะถือว่าเป็นข้อความที่สำคัญจะเป็นคํากล่าวของภาษาบกนะฮะ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงนั่นเองเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้เป็นคำกล่าวของพระเิดิจเทระระถามบอกว่าเยธรรมาเหตุปัภาวเตสังเหตุงตุถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเฮวังวาดีมาสมโนแปลว่าทมเราได้เกิดแต่เหตุ ต, ตถาคาเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นระมามะสัมมาสุนทรสั่งสอนอย่างนี้หรือมีวาทะอย่างนี้ธรรมะเหล่านี้ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองจะเป็นการแสดงแบบหัวใจคือพนวกเอาไว้เพราะว่าในความเป็นอริยสัจสี่นั้นคุณสังเกตว่า ทุกกระสมุทัยนั้นเป็นเหตุกับผลหรทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุผละะถ้าเหตุมันดับผลมันก็ดับในส่วนของมรคนั้นโรดเป็นผลมรเป็นเหตุแต่ว่า น, นี้เป็นธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งหมายความว่าเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วผลก็จะสมบูรณ์หรือถ้าหากว่าคนได้ปฏิบัติ ถ้ามริมักให้มีความสมบูรณ์แล้วจะเข้าถึงนิโรธที่สมบูรณ์คือการบรรลุมรรคผลเป็นพระาอารหันต์ท่านได้ฟังปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่ประสาริบุตรปริพาชกท่านก็ ทำนี้แหละถ้ามีก็เพียงเท่านี้เท่านั้นท่านทั้งหลายจงแทงตลอดบทอนหาความโศกไม่ได้บทอนหาความโศกไม่ได้นี้พวกเรายังไม่เคยเห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกันนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าธรรมะทั้งปวงนั้นมารวมลงที่อริยสัจก็ไม่ลื่นไปจากนี้ที่พูดไปทั กี่ปีกี่ชาติก็ตามแล้วก็มันอยู่ในแวดวงของอาตร์นี้เองเป็นปริยายแห่งธรรมที่ยากจะบังเกิดขึ้นในโลกและยากที่คนจะเข้าถึงได้โดยท่องแท้ท่านบอกว่าเป็นบทอันหาความโศกไม่ได้หมายความมนิพาณนะอโศกังวิรชังเขมังเนี่ยถือไม่เศร้าโศกแล้วก็กระเสมที่ใน ท้ายมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลข้อเกือบสุด ท, ท้ายนะฮะข้อข้อสุดท้ายนะั่นแหละแต่มีสีข้อคือพุทธสโลกะธรรมเมหิจิตังยัสสนกรรมปติเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวอโซกังไม่โศกวิรชังปราศจากภูรีเกมังกเกษจมก็คือนิพพานาเรียกว่าตนเองก็ไม่เคยเห็นนะคือภาษาอบุตเองก็ไม่เคยเห็นนะ พอได้เห็นท่านก็เป็นพระยาบุคคลไปแล้วก็หลายหมื่นกันแสดงถึงว่าชีวิตมนุษย์ในสังสารวัฏเนี่ยเราถือว่าเวลานี้ที่จริงค่อนข้างขัดแย้งกันอย่างแรงก็คือความรู้ในเรื่องโลกอายุของโลกกับอายุกันต่างๆเนี่ยมันต่างกันกนกึกเกิคือเรานั้นพิสูจน์มาเสร็จแล้วแต่ว่าวิชาการทางโลก ที่เกี่ยวกับอายุของโลกอายุของจักรวาลเนี่ยเป็นเรื่องที่กาลังศึกษาค้นคว้ากันอยู่ก็ อ, อยากดูเหมือนกันกว่าต่อไปเนี่ยมันจะลงเอยยังไงลงเอยไปสอดคล้องกันหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้หรือว่ายังต้องเดินทางกันอีกนานกว่าจะรู้เรื่องกลับเรื่องกันเนี่ยอันนี้พูดตัวเป็นหมื่นกันนะฮรกันเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่ะนี่เล่นเป็นหมื่นกันก็ไม่รู้จะนับยังไงไม่มีตัวเลขมาเขียนแล้ว ต่อจากนั้นภาษาริบุตรก็เรียนถามพระอาจารย์ชว่าเวลาเนี้ยพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันสาราบุตรก็บอกว่าให้ท่านอาจารย์ล่วงหน้าไปก่อนผมมีสหายที่จะต้องไปบอกเขาแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกัน คือเราลืมว่าพอเป็นพระโสดาบั น, บนปั๊บนี่พระพุทธเจ้าก็เป็นาศาสดาโดยอัตโนมัติเลยท่านเดีนถามพระอาตชีว่าเวลานี้ศาสดาของเราอยู่ที่ไหนก็หมายความว่าทั้งท่านทั้งพระอาตชามีมีาศาสนาองค์เดียวกันคือการคนจะนับถือาศาสนาหรือไม่นับถือาศาสนาหลายปีมาแล้วนะครมีรู้สึเป็นชาวสวีดเดน พอมาที่กุตินะเอาล่ามมาด้วยก็มาคุยคุยเรื่องเยอะนะฮะเราคุยมีล่ามเนี่ยมันก็ลาชานะเสียเวลาเยอะคือสรุปว่าแกบอกว่าแกเนี่ยไม่มีศาสนาถูกไหมนักตื่ศาสนาใดมาก็ถามความเห็นแกไปเรื่อยๆนะฮะถามเรื่องนั้นคุณเห็นยังไงเรื่องนี้คุณเห็นยังไงเรื่องนั้นคุณเห็นยังไงก็ถามไปเรื่อย แล้วบอกว่าคุณนี่เป็นพุทธโดยกําเนิดเลยเพราะความเห็นของคุณทั้งหมดนี่ตรงกับหลักที่พระพุทเจ้าทรงสอนเอาไว้แสดงว่าคุณก็เป็นพุทธคุณจะรู้ตัวว่าเป็นพุทธหรือไม่ก็าตามแต่คุณก็เป็นพุทธแล้วในขณะนี้แกดีใจใหญ่เลยออกไปซื้อหนังสือธรรมะที่มหาวิาทยาลัยไปตั้งเยอะเผื่อต้องการจะศึกษาเรื่องของพุทธได้เข้าใจโดยท่องแทน เพราะอะไรเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันครอบจากข้าพานทั้งหมดเอาไว้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะหลุดรอดไปจากคําสอนที่ทงสังสอนไว้ได้หรอกในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนานะฮะแม้แต่ส่วนที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องวิชาอื่นเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรต่อไรมันอีกเรื่องหนึ่งต่อราพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์นะมันเน้นในด้านศาสนาแต่วิทยาศาสตร์โดยเนื้อหาสาระมันก็ลงกันนะนะ อารมกันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าผิดเป็นเครื่องบินเป็นจรวดอะไรแต่ไรไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้บอว่าปราสาทิก็แยกทางกับภาษาลิบุตตอนนี้เราอย่างที่จริงท่านยังไม่ได้บวชนะฮะ mm. ก็เป็น <analy> zer, ก็เรียกว่าเป็นปริพาชกอยู่ <mumbles. S 2> ยังเป็นปริพาชคอยู่เวลาต่อมาภาษาลิบุต ปริพาสาริบุตรปริพาชกก็เข้าไปหามกขลานะปริพาชกมุกขลานะปริพาชกได้เห็นสาริบุตรเปรยพกเดินมาแตกไกลคั้นแล้วก็ได้ถามสาริบุตรปริพาชกว่าผู้มีอายุอินทรีของท่านผองใสพิมพันธ์ของท่านบริสุทธิ์ุดพองท่านได้บรรลุอมาตะธรรมแล้วกระมังหนอสาริบุตรก็บอกว่าถูกแล้วผู้มีอายุเราได้บรรลุอมาตะธรรมแล้ว โมการาณาคก็ถามว่าท่านบรรลุอมตะธรรมได้อย่างไรด้วยวิธีใดสาธุบุณเล่าความย้อนหลังนะฮำนวนบาลีเนี่ยคือเล่าย้อนหลังแล้วก็เล่าเป็นรายละเอียดลำดับความมานะซึ่ ง, ง, งตามปกติในการเล่าอะไรจะเล่าโดยสรุกก็ได้โดยพิสดารก็ได้แต่ว่ามันเป็นลำดับความคิดที่มันประณีต จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านจากการเห็นพระอ ช, ชินี่ท่านก็เล่าด้วยความดื่มดำของท่านโดยความรู้สึกซาบซึ้งถึงใจของท่านพราะผู้มีอายุวันนี้เราได้เห็นพระอาทิย์กำลังเที่ยวบินธบาทในพระนครราชสุดมีมังญาต์ก้าวไปถอยกลับแหลเหลียวเหยียดแขนคู่แขนหน้าเลื่อมใสมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอียาบท ครั้งแล้วเราได้มีความบำนริว่าบรรดาพระอาหารหันต์หรือท่านผู้ที่ได้บรรลุอรหัตมรรมในโลกภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ถ้ากะไรเราพึ่เข้าไปหาภิกษุรูปนี้แล้วถามว่าท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครเวลานั้นได้ยะเรานั้นได้ยับยั้งคิดว่ายังเป็นการไม่สมควร จะถามภิกษุรูปนี้พระท่านกําลังเข้าและแวกบ้านเทวินทบาทดิจะนั้นเราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังข้างหลังเพราะเป็นทางอันผู้มุ่งประโยชน์ทั้งหลายจะต้องสนใจลำดับนั้นปราจิเทบินทบาทในกรุงราชครึกหรือบินทบาทกลับไปแล้ว ต่อมาเราได้เข้าไปหาปราศริชิขั้นถึงแล้วจึงพูดปราศัยกับปราศริชิขั้นผ่านการพูดปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนขั้งหนึ่งแล้วได้ลกล่าวคํานี้ต่อปราศริชิว่าอินทรีย์ของท่านโปรองใสวิพันของท่านบริสุทธิ์ปลุกทอง ท่านบวชท่านบวดเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครขอรับราชฎรตอบว่ามีอยู่ท่านพระมหาสมณะสักยบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะสกุลเราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพรองค์นั้นเราได้ถามราชฎรต่อไปว่า ก็ภาษาสดาของท่านสอนอย่างไรแนะนําอย่างไรเราจะที่ตอบว่าเราเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่กระทมอินัย น, นี้ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านกว้างขวา ง, วางแต่จะกล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อเราได้เรียนว่าน้อยหรือมากในมวลกล่าวเถอดท่านจงกล่าวแต่ใจความแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการโดยใจความอย่างเดียว่า น, นจะทําพยัญญชนให้มากไปทําไม ผู้มอายุครั้งนั้นปราชจีได้ลกล่าวคำปริยายดังนี้ว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุประสาาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นได้ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นประมาสมานามีปกติตดับอย่างนี้ตั้ง า, ามอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้องอธิบายทบทวนความไป เหมือนข้อความเกือบจะทุกตัวอักษร น, นะเหมือนข้อความข้างต้นเกือบจะทุกตัวอักษรแต่ไม่เหมือนทั้งหมดหรอกตอนนี้เป็นคำเล่าอ่ะนั่นเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงแต่ท่านี้เป็นการเขาเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยคือสร้างศรัทธาเลื่อมใสในปกติกภาพของพระอาชิชิเกิดขึ้นไปในจิตใจของอกุลิตะปริภัยโชคหรือพระโมคคัลลานะนะฮะ มันมาเล่าเท่าความมาเราจะเห็นว่ามันก็จินตนาการตามนึกตามไปแล้วก็เกิดสนใจจิตใจประสงบมันก็อยากจะรู้นะฮะว่ากลา่าวยังไงเสร็จแล้วพอทั้นกล่าวเท่านั้นเองกล่าวจบไปก็เป็นเหมือนกับที่เกิดขึ้นแกพระสารีบุตรนั่นแะท่านบอกว่าท่านได้ฟังธรรมปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรมปราตจักทุรีปราตจักมนทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ เ, เกิดขึ้นแก่โมกลลานะปริภาชกทำนี้แหละถ้ามีก็เพียงเท่านี้เท่านั้นท่านทั้งหลายแทงตลอดบทอันหาความโศกไม่ได้บทอัญหาความโศกไม่ได้นี้พวกเรายังไม่เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกัน คือลักษณะนิสัยของทั้งสองท่านเนี่ยต่างกันภาษาริบุตรเป็นคนเรียบเรียบเหมือนคนที่มีปัญญาพระโมคคลลานะเป็นคนเฉียบขาดวด่ารวดเร็วว่องไวกระฉับกระเฉงนะตัดสินใจอะไรได้เร็วคือคนหนึ่งมีปัญญาคนหนึ่งมีฤทธิ์นะฮะเรียกว่าบุญฤทธิ์กับคนหนึ่งก็มีปัญญาเอ่อพระโมคคลานะก็ชวนภาษาริบุตรว่าเราไปเข้าภาษาสดาด้วยกัน แต่ว่าภาษารดบุตรท่านงองเห็นว่าไม่อาสมเนี่ยมันมีบริวารของเราอยู่จำนวนหนึ่งบริวารนี่แปลกนะคือในพระบาลีใจบิดกจริงๆเนี่ยบอกว่าสองรอยห้าสิบแต่ในตกระถานี่บอกว่าห้าร้อยอย่างที่เล่าฟังในวันก่อนเนี่ยว่าคือออกมาจริงเนี่ยมันมันวอเนี่ยห้าร้อยคนนะฮะแล้วก็มานี่ก็ห้าร้อยคนก็เข้าใจว่า คงไม่ใช่รถม้าขันละคนหรอกรถมา้าตัวรถเนี่ยไม่น่าจะถึงห้าร้อยหรอกเพราะว่าคนก็นั่งก็ได้หลายคนวอก็เหมือนกันนหละคงยจะไม่ไม่ใช่ตัววอลห้าคนนะไม่ไม่ใช่ตัวห้าร้อยแต่บอกคนห้าร้อยที่ว่าหามวอกันเนี่ยคันก็อย่างน้อย ก, ก็สี่คนแล้วสี่คนถ้าหามถามวอเนี่ยรถก็คงจะเป็นอย่างนั้นนหละคือขับขับคนหนึ่งแล้วก็นั่งไปด้วยกันสี่ห้าส้าห้าคนะอะไรต่อไรเนี่ยอาจจะสิบคนยี่สิบคนก็ได้ แต่สรุปว่าตอนออกบวชเนี่ยบวชห้าร้อยแต่ว่าตอนมาฝ้าวพระพุทธเจ้านี่มาสองร้อยห้าสิบแต่ในบาลีนี่บอกว่าสองร้อยห้าสิบก็กฟังเอาไว้ทั้งสองทั้งสองเรื่องนะฮะก็ยังนึกไม่ออกบางคันว่าทำไมาตัวเลขมันขาดกันทั้งเป็นครึ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อ สาษาบนบนั้นมองเห็นว่าควรจะไปชวนท่านสัญชัยปริพาชคด้วยแล้วก็ไปบอกกล่าวแก่พวกบริวารคือเขาคิดยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าให้เขาทำตามได้เขาเข้าใจว่าควรจะทำแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยมันโอกาสที่ธรรมะอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันยากจินทะเกิน ในสุดก็ตกลงกันนะฮะตกลงกันว่าไปชวนสันชัยปริพาชกด้วยดังนั้นาาลานิบุตรกมกโอคณะก็พากันไปหาท่านสัญชัยปริพาโชคทั้นถึงแล้วได้เรียนว่าท่านขอรับพวกกระผมจะไปในสำนักพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นาศาสดาของพวกกระผม ท่านสัญชัยก็ห้ามปรามาไว้ว่าอย่าไปเลยพวกเรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันบริหารหมู่คณะแต่ ว, ว่าทั้งสองท่านก็ไม่ยอมเลยนะฮะพูดไปอ่อนบอนกันไปถึงสองครั้ง ส, สองสามครั้งด้วยกันท่านสัญชัยก็พูดท่ามว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายอย่าไปเลยเราทั้งสามนี่จะช่วยกันบริหารหมู่คณะตรงนี้อาจารยถาได้อธิบายออกไปข้อความในค่อนข้างพิสดาร บอกว่าพูดไปพูดมาก็สัญชัยท่านบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าแหมท่านก็เป็นขณาจารย์เจ้ารับที่สั่งสอนคนมาเยอะนะแล้ะก็นีนิ่งไปเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพระศาสนาพระพุทธไอกเขาเรียกว่าพระสัมมาโคโดมนะฮะเขาเรียกว่าสัมมาโคโดมมันก็เหมือนกระ จ, จับจระเข้ไปใส่ตุ่มมันดึกอตัดขัดข้องไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัย หรือหมุมกันน้ําในตุ่มมันกระชอกนะฮะมันน้ำกระชอกท่านไปไม่ได้หรอกเป็นลูกศิษย์คนอื่นไม่ได้นี่เราเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้ทิฏฐิคือความถือรั้นถือตัวเนี่ยตัวตัวตัวตนที่อัตตามันใหญ่เนี่ยมบางทีว่าเป็นอุปสรรคเช่นบางทีเราเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่พร้อมที่จะฟังพระผู้น้อยพระพระพระผู้น้อยพูดสามเณรพูดเด็กพูดอย่างเงี้ยที่จริงฟังฟังเอาไว้เนี่ยมันดีนะ คือเด็กๆด็กบางทีความคิดความอ่านแกก็คมแล้วมันเน้นความคิดความอ่านก็คมพระก็ความคิดกว อ, อ่านก็คมแล้วก็พยายามฟังไปบ้างแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราจะเป็นโครงสร้างของการอบรมเรื อ, อยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยกล้าแสดงออกกาเน้นไม่กล้าแสดงออกเด็กเดี๋ยวนี้กล้าหน้าไปเยอะนะฮะเด็กนี้เขากล้าแสดงออกกล้าอธิบายชี้แจงเหตุผล อย่า น, นมาสอนบรรยายที่มหาวิทยาลัยอยู่สองชั้นชั้นปัญญาโทกับชั้นปัญญาตรีเวลาเราต้องการให้แกอธิบายนะฮะถามตั้งประเด็นขึ้นมาให้อธิบายเนี่ยมันอธิบายกันไม่ค่ได้ที่จริงเราอยากจะฟังความเข้าใจของเขาเหมือนกันบางทีก็เกี่ยงกันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาได้แต่คนต้องคนนะกล้าพูดกล้มแก้บ้านี้นิดหน่อยมันเป็นโครงสร้างที่ผิดเหมือนกันนะ ที่ไม่ปล่อยให้คิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าชี้แจงไม่กล้าอธิบายเนี่ยคืออธิบายต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ฟังแล้วผิดก็จะได้บอกให้ถูกก็ได้แสดงความชื่นชมมนเกิดความมั่นใจแต่ทีนี้ไม่ยอมอธิบายเลยเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันสมัยอาตมาเป็นพระบวชใหม่ๆปรรษาที่สองคือปรรษาแรกเนี่ย มันถูกบังคับให้เทศอ่านกันเทศนโยุงฟังทุกคืนเลยคือละกันคือละกันคืนละการโยมฟังเทศตลอดในพรรษาในทุกคืนต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะคำภีร์มันก็มีไม่มากมีมีอยู่กล่องเดียวนะมีอยู่จีบเดียวก็ประมาณร้อยัมภีร์อ่านหมดพอถึงพรรษาที่สองเนี่ยไปอยู่อีกวัดหนึ่งอาจารย์ตัานฝึกให้เทศปฏิพาน์ แต่ท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยท่านบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวใครคุณขึ้นไปถึงแล้วถือว่าทุกคนต้องฟังคุณไม่ต้องไปสนใจใครนั่งนั่งฟังเนี่ยไม่ไม่ต้องไปสนใ จ, ใ น, น, น, น, ใจนั่นเป็นวิธีสอนของอาจารย์ที่ท่านสั่งเด็ดขาดแต่แต่ว่าท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยก็ทำให้เราค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองการแสดงความคิดความเห็นการชี้แจงอธิบายเหตุผล แต่ว่าพระเนนส่วนใหญ่เนี่ยยังยังไม่ค่อยกล้าแสดงนะแต่ทีนี้ถ้าแสดงถ้าไม่เป็นเรื่องมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องได้เรื่องได้ราวหน่อยนะแสดงเนี่ยต้องได้เรื่ได้ราวเันตัวอัตตาตัวตนเนี่ยของของสรรชัยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางยังนึกอยู่เนี่ยว่าสมมติว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นสามมณเ น, นหรือพระเนร น, น้อยๆเ น, น, น, นี่ยอายุน้นอยๆบรรลุมรรคผลเป็นพระอนเนี่ย แล้วจะอธิบายธรรมะจะสอนธรรมะให้ผู้ใหญ่ฟวงานี <c oughs> คงไม่ฟังไงนะแล้วก็เป็นการทำลายโอกาสของตัวเองในสมัยพุทธกาลก็เคยมีพระเทระรูปหนึ่งชื่อโปธิละโปธิละนั้นที่จริงคงไม่ใช่ชื่อจริงนะเป็นเณมิตรการานามแปล ว, ว่าคำพีเปล่าท่านถูกเรียกคำพีเปล่าจนเกิดสานึกที่จะ สอนจะเรียนธรรมะจากพระอื่นไม่มีใครกล้าสอนไม่มีใครกล้าสอนจนไปถึงสามเณรรูปหนึ่งสามเณรบอกว่าจะสอนก็ได้อาจารย์จะให้ผมสอนก็ได้แต่อาจารย์ต้องเชื่อผมนะคผมสั่งยังไงต้องปฏิบัติตามนะท่านเอานะฮะสามเณรบอกให้เดินไปที่เหวให้กระโดดท่านไปนะจะกระโดดก็ออยังไม่กระโดดสามเณรทดสอบดูเฉ ย, เฉย เน้นเป็นพระหันเสร็จแล้วจาเน้นก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจไอ้เห็นว่าร่างกายเราเร า, เราเนี่ยมันเหมือนกับจมปวกแล้วมีช่องอยู่หกช่องเลยกันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะทีนี้เราต้องการจับสัตว์ขึ้นอยู่ในจอมปวกเนี่ยก็คือใจเรานะฮะมันต้องอุดเชี่ยห้าช่องแล้วเปิดไว้หนึ่งช่องคือช่องใจนี่เปิดไว้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายก็ปิดเตะ สำรวมระวังต่หัจมูกริ้งกายแล้วก็มาดูที่จิตแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จิตแต่ท่านพูดเป็นสำนวนนะะเป็นวิธีจะเพี้ยสัตว์ที่อยู่ในจอมปกูกท่านเรียกเพี้ยเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่คําหยาบอะไรในภาษาบาลีเนี่ยโคทานะก็เรียกโคทาบาลีเรียกว่าโคทาอันนี้เราเราก็เห็นดังหนึ่งว่าท่านทันชัยเนี่ยผลทุดท้ายก็จมปลักอยู่ตรงเนี้ยจงปลักอยู่ตรงที่ รู้สึกอัตราตัวตนของท่านใหญ่ท่านไม่พร้อมที่จะเป็นเป็นลูกศิษย์คนอื่นน อ, อในขณะเดียวกันก็ไปทวงคนอื่นเอาไว้ด้วยไม่ยอมให้ไปสาริบุร์กขู่ว่าเวเนียประพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะอาจารย์นะคนทั้งหลายไปภาพาระพุทธเจ้าการอาจารย์จะทำยังไงท่านบอกว่าเออคนในโลกนี้คนโง่มากเลยคนฉลาดมาก ท่านก็บอกคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านก็บอกเอ้ยไม่ต้องกลัวแต่อย่างนั้นคนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระสัมมานาคผดมผู้ฉลาดคนโง่โงก็จะมาฉันซึ่เป็นคนโง่ฉันก็อยู่กับท่านได้อันนี้คือเป็นคําพูดที่คมของสันชัยทั้งหมดเท่าที่อ่านประวัติของท่านทำคําพูดตรงนี้ถือว่าคมที่สุดแล้วก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ตัวเองมาจนถึงจะเรียกว่าทุกยุคทุกสมัยและโลกมันก็เป็นประมาณอย่างนั้นเอง ท่านฟังทั้งหลายแต่ร่มบโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี